3. พรหมทันดะกระถาว่าด้วยการลงพรหมทันครั้งนั้นท่านพระ อ, อนนท์ได้กล่าวกับภิกษุผู้เทระทั้งหลายดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญในเวลาจะเสด็จปรินิพานพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราล่วงไปสงจงลงพรหมทันแก่ภิกษุฉันนะภิกษุผู้เถระทั้งหลายถามว่าท่านอา น, น์ท่านทูลถามพระผู้มีพระภาคหรือว่า พระพุทธเจ้าข้าพรหมทันเป็นอย่างไรท่านพระนนท์ตอบว่าท่านผู้เจริญกระผมทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วว่าพระพุทธเจ้าข้าพรหมทันเป็นอย่างไรพระองค์รับสั่งว่าอาน o น์ภิกษุัช น, นะพึงพูดได้ตามที่ปรารถนา ภิกษุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวไม่พึงตักเตือนไม่พึงพร่ำสอนภิกษุช น, นะภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวว่าท่านอานนนถ้าอย่างนั้นท่านนั่นแลจงลงพรหมทันแกภิกษุช น, นะท่านพระอานนนถามว่าท่านผู้เจริญ กระผมจะลงพรมทันแก่พระชนะได้อย่างไรกันเพราะเธอเป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบคายภิกษุผู้เถระทั้งหลายตอบว่าท่านอานอนท์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปพร้อมกับภิกษุทั้งหลายจำนวนมากท่านพระอนอนท์รับบัญชาภิกษุผู้เถระทั้งหลายแล้ว โดยสารเรือไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปถึงกรุงโกสัมพีขึ้นจากเรือแล้วนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งใกล้ราชอุทยานของพระเจ้าอุเทน